จนกว่าจะได้รูปทรงที่ต้องการเราจรึงเห็นบันทึก เ, เหตุการณ์ในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าท่านทั้งบัญญัติกดลงโทษทั้งตำหนีตีเตียนอ่อนๆบ้างแรงๆบ้างซึ่งก็แปลว่าการลงโทษหรือการตีเตียนยังคงเป็นเรื่องต้องทำไม่ว่าจะใจดีขนาดไหนตราบเท่าที่ผู้คนยังกระทาผิดยังรู้เท่าไม่ถึงการหรือรู้แต่แกล้งทาเป็นไม่รู้กันอยู่ ปัน้นหมอขนาบหม้อแล้วเล่าเล่ า, ล า, ลาด้วยเจตนาปั้นหม้อให้เข้ารูปงามชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ขนาบพระสาวกด้วยเจตนาให้ได้ถึงมรรคผลอันเป็นบรมสุขชั้นนั้นเจตนาทําคนผิดให้เป็นคนถูกเจตนาเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีเจตนายกระดับจิตใจคนให้สูงขึ้นเมื่อเป็นตัวตั้งในการตําหนีตีเตียนก็ยอมชื่อว่า เป็นกุศ ล, ลกรรมเป็นคำดีเป็นคำที่ถูกที่ควรแล้วแต่รายละเอียดในการลงมือด่าก็นับเป็นความแตกต่างกันของกรรมการดุด่า ว, ว่ากล่าวด้วยโทสะแตกต่างจากการตีเตียนอย่างมีสติการตีเตียนยาวๆอย่างมีสติแตกต่างจากการเตือนสติด้วยคำทักสั้นๆการเตือนสติสั้นๆ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 มีเรื่องจุกจิกก่อกวนอารมณ์ในที่ที่กรรมผลผลตัวอย่างที่เห็นด้า น, นระยะสั้นทันทีคือผู้ประพฤติผิดที่อยู่รอบตัวอาจทำตัวดีขึ้นแต่ก็อยู่กันแบบเกรงเกงกลัวๆเหมือนมีกำแพงกัน้นรู้สึกได้ถึงสายตาที่หวาดเกรงระคนจ้องจับผิดอย่าพลาดแล้วกันเดี๋ยวจะเอาคืนบ้างหรือไม่วันดีคืนดีก็แววเสียงลอยลมมาเข้าหู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 ยังคงให้ความเคารพนับถือรักใคร่อยู่หรือพูดเข้าหูอยู่เสมอว่าได้แง่คิดให้กลับตัวกลับใจอย่างไรสรุปคือความบาดเจ็บทางใจอาจไม่ต่างกันในคนที่กําลังโดนตำหนิแต่กรรมของคนตำหนิต่างกันที่เจตนาต่างกันที่ผลลัพธ์อันจะตามมาในภายหลังแบบร้อนหรือแบบเย็นขึ้นกับรายละเอียดในการทากรรม ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องดา่าและผลของการด่าจะได้ดีได้ร้ายเสมอกัน